พระธรรมเทศนาแผ่นที่93าลำดับที่23โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่า น, นาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่25พฤษภาคม2559มีชื่อเรื่องว่ากิจกรรมภายนอกกิจกรรมภายใน วันนี้เป็นวันที่ยี่สห้าพฤษภาคมพุทธศักราช2559หพระในวัดของเรา42รูปลูกห ล, กลานนากสองในช่วงนี้หลวงพ่อเองจักจะบอกกล่าวว่าเป็นช่วงฤดูปลูกฝังปลูก ผลละหมากลากไม้ปลูกวัชพืชเพิดปลูกต้นไม้ยืนต้นวันวันนี้ทางตำรวจทางท่านผู้ชมกับท่านก็จะเอาตำรวจมาช่วยงานปลุกปลูกปลูกป่านะแต่จะยังไงให้พวกกูบาทั้งหมดยืนอยู่ในวัดของเราให้ช่วยกันออกไปแล้วก็เอาเครื่องไม้เครื่องมือให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเป็นคนขุดลุม พระเนี่ยเป็นคนปลูกตามหลังทั้งน่นหละทุกคนผู้ใดอยากจะได้เงือก็ออกไปถ้าไม่ออกไปก็ไม่เป็นไรพวกอยู่ในครัวนะภาวนาหรือพวกที่มาจากเซปหลอนก็เหมือนกันมีเวลาน้อยอจะภาวนาก็ได้หรือจะออกไปเอา <c oughs> ทำงานเอาเงืออ <c oughs> เปลี่ยนบรรยากาศก็ได้ เพราะว่าวันนี้รัตจัลรมหนักนะถ้าเป็นไปได้ให้มันจบจบไปทีเดียวที่พระไม้ไม้อยู่ในวัดของเราก็มีมากอยู่แต่พระไปเอาไม้ตะเคียนมาจากศูนย์ศูนย์พาะชําอําเภอสังคมนะได้ไม้ตะเคียนมาเมื่อวานเอารถหกล้อไปไปเอามาเขาแจกเขาแจกฟรีเพื่อจะให้วัดหรือโรงเรียนหรือสถานที่ราชการหรือชาวบ้าน เขาพยายามระดมไม่ปลูกป่าพระก็เลยไปเอาไม้ตะเกียนมาได้2 0 0 0ก้าไม้ตะเกียนไม้สักไม้สักทองไม้สัก 20,000 ื่นไม้มะขาม300ต้นไม้พันชาติ20ต้นกล้าไม้นะแต่ไม้มะขามก็ดีไม้ที่จะปลูกขนุนก็ดีมะม่วงก็ดี ให้ปลูกชายขอบขอบปลูกฝั่งฝั่งขอบหลวงพ่อแนะนำนะปลูกขอบริมคลองหรือว่าริมสนามเพื่ อ, อไรจึงให้ปลูกย่านเพราะว่าถ้าเราปลูกไม้ผ ล, ลไม้แต่ถ้าไปปลูกอยที่กลางโดยมากต้นไม้อื่นมันคลุมพอมันคลุมขึ้นมาแล้วแตเนี่ยมันไม่มีลูกมันไม่มีลูกมันไม่ออกลูก ไม่มีเพราะนั้นเราเอาไปปลูกตามขอบขอบมันได้กินอากาศข้างนอกพอได้กินอากาศข้างนอกนั่นกับมันกรสมบู์มันไม่อยู่ในมุมอับเพราะนั้นให้พวกเราปลูกนะต้องใส่ใจจะเป็นมะขามมะม่วงขนุน อ, อะไรก็ตามหรือต้นว่าอะไรก็ตามถ้าเป็นไปได้ปลูกขอบขอบปลูกไม่ต้องปลูกหางล็อก สองสาเมตรต่อต้นนึินก็ได้ถ้ามันใหญ่ขึ้นมาถ้าต้นไหนมีกําลังเราก็เอาไว้ถ้าต้นไหนไม่มีกําลังเราก็ตัดทิ้งซะมันใกล้กันเกินไปเนี่ยให้ช่วยๆกันปลูกเมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อเองลงมาบ่าย <c oughs> เอเกือบบ่ายสองบ่ายสองโมงพอมาก็ <c oughs> าเห็นลูกหลานกระทรวงสาธารณาสุขสาธารณาสุขจังหวัดอุดรรับ พนักงานบรรจุใหม่ก็มากราบวัดกราบพระครูบาอาจารย์เพื่อการอบรมได้รับการอบรมหลวงพ่อก็เลยลงมาก็เลยเดียแวะเวียนเข้าไปก็เลยได้พูดกับลูกหลานพอจบแล้วมันฉันฉันอยาแก้วัดด้วยเมื่อวานเนี่ยก็เลยทําให้ง่วงง่วงยังไงก็ไม่ทราบหลวงพ่อโอ้ยไม่ไปแล้วลูกหลาน่ยช่วยชกันปลุกเทน้วันนี้ว่ะ หลวงพ่อขอพักซักก่อนมันเหนื่อยเมื่อยล้ามาตั้งแต่ไปอินโดนีเซียมันยังไม่หายนะลูกหลานนะมันยังมีต่อเนื่องกันมาอยู่เพราะอายุมันขนาดนี้แล้วมันจะฟื้นได้ได้ได้ยากกอนกันนะแต่มันก็ค่อยๆฟื้นแล้วล่ะดีขึ้นไม่มีปัญหาแต่ก็ต้องดูๆประครับประคองนะเหมือนกับรถนะ เ ร, เราใช้มานานหลายปีเราจะไปตับสมบุกสมบันกับมันมากก็ไม่ได้ช่วงที่ไหนที่มันล้วนเราก็ต้องดูซ่อมๆ ม, มันบ้าง <c oughs> ร่างกายของเราก็อย่างนั้นแหละแต่วันนี้ก็ให้ลูกหลานทางฝ่ายพระนะช่วยๆกันไปทํางานแต่จะไปต้องช่วยกันดูนะอแต่ทั้งนี้ทางนั้นหลวงพ่อไม่ได้บังคับให้ออกไปนะควรจะเห็นประโยชน์ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประโยชน์ต่อแผ่นดินเราปลูกขึ้นมาเพื่อใครไม่ใช่ปลูกมาให้หลวงพ่อนะหลวงพ่ออีกไม่กี่ปีลต้นไม้ยังไม่ใหญ่ต่างหากาถ้าได้ใช้ก็ได้ใช้ไม้สักเท่านั้นแหละไม้อย่างอื่นปะดูมักค่ามันไม่ได้ใช้หรอกสิบยีนะ่สิปีไม้สั ก, กัพอได้ใช้อยู่เพราะนั้นลูกหลานเขามาปลูกทุกคนก็บปลูกเพื่อแผ่นดิน เ, เราได้นอน กระดานไม้นอนเตียงไม้ เ, เราได้นั่งศาลาไม้ไม้มันมาจากไหนไม้เหล่านี้มันมาทำเกิดธรรมชาติบางทีอาจจะคนโบราณเขาปลูกไว้ก็ได้เพราะนั้นเราเกิดมาเกิดใหม่ใหญ่ทีหลังก็ควรจะทดแทนแผ่นดินเอาไว้เสริมเอาไว้ช่วยคิดกันคิดกันไกลๆคิดยาวๆนี่นะอันนี้คือปลูกป่าแต่ บางสํานักหรือว่าบางแนวความคิดเวลาจะปลูกป่าเนี่ยตัดมะถางไม้ทพัดตะเพือเออแต่ตามไม่จริงถ้ามันมีป่าอยู่แล้วนะก็ไม่ควรจะตัดจะถางมันมีแต่ปลูกเสริมเข้าไปไม้จํานวนนะั้นที่มันมีก่อนเก่านะั่นแหะมันจะขึ้นมาดีกว่าไม้ที่เราปลูกใหม่อีกต่างหากออแต่หลวงพ่อก็บอกพระออปรับออสถานที่ เขาใสาใจมากน้อยคนไหนก็ไม่รู้ดูมันเตียนไปหมดก็คงจะจะให้เตียนมั้อแต่ตามไม่จริงไม่น่าจะให้เตียนต้นไหนที่มีไม้มองดูเข้าไปดืน ด, ดูเออตอนน้นไี้ต้นนี้เอาไว้นะเข้าไปดูข้างในเออต้นนี้เอาไว้นะเอออันนี้ก็คงจะควรจะบอกอย่างนั้นเวลาเข้าไปทํางานพ่อไม้ที่เราปลูกขึ้นมาเนี่ยอหลวงพ่อมั่นใจว่าไม้นี่้มันคงจะไม่เตียนถึงขนาดนั้นไม้เล็กไม้น้อยมันต้องมีอยู่ แต่หัวหน้างานทำงานนั่นแหละหลวงพ่อดูๆแล้วมันคงจะขาดความรอบคอบในจุดนี้อีกเหมือนกันเพราะไม้ป่าเนี่ยต้องเอาไว้ถึงจะทำยังไงไม้ป่ามันต้องโตเร็วกว่าอย่าไปโคตอย่าไปขุดมันถ้าเห็นต้ น, น, นเล็กๆน้อยๆเอาเว้นไปเว้นไปเว้นไ ป, นไปดูๆไปเพื่อให้ธรรมชาติมันเกิดขึ้นมา แต่เนี่ยเอว่าปาบก็คือปราบไปหมดเลยดูๆแล้วก็มันเสร็จแล้วก็ไม่ว่าอะไรก็ปลูกแทนครับปลูกแทนซะช่วยๆกันปลกูกแต่ถึงยังไงก็ตามให้ช่วยๆกันดูรักษานะที่นี้นะอย่าให้หลวงพ่อได้คิดเรื่องจะตุปัจจัยฆ่าว่าจ้างตัดหน้าหญนะ้าแต่ถึงยังไงห้ามใช้ยาฆ่าหญ้าเด็ดขาดนะอย่าอย่าเอาใช้ยาฆ่าหญ้ามาเพราะทาให้สัตว์ตายเพื่อเอน้ำมันไหลลงไปใน คลองทําให้ปลาของเราอยู่ไม่เป็นสุขอีกต่างหากเพราะมันยาเคมีฮยาใช้นะห้ามใช้มีแต่เอาเครื่องมาตัดเท่านั้นเองถ้าตัดหาคนตัดไม่ได้ก่ น, นั่นแหะจะตกปัจจัยเรามีอยู่ให้ประชุมกันให้พระประชุมกันวางแผนว่าจ้างให้ใครเป็นคนรักษาเป็นซุนสวนไปก็ได้นะให้ไปให้รักษาเลยเป็นสวนเลยทุกวัน สวันมาตัดครั้งหนึ่งสองวันมาตัดครั้งหนึ่งเ ม, มาไปเลยเอืออาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์มาตัดครั้งหนึ่งถ้ามันขึ้นยังขึ้นแบบอาทิตย์เน่ะอาทิตย์ตัดละครั้งน่ะเออเราก็จ่ายจติตจจัยให้เขาก็ได้อันนี้ช่วยๆกันคิดไม่ใช่ว่าทําอะไรไม่คิดไปอ่านความโง่เท่านั้นแหละที่จะทําอะไรไม่ได้ถ้าฉลาดต้องทําได้นะต้องมีวิธีกรรมวิธีการ แต่จะทําอะไรก็ตามตึงปรึกษากันก่อนไม่ให้คนเดียวคนไม่ให้คนใดคนหนึ่งคิดถ้าคนใดคนหนึ่งคิดขึ้นมาแล้วนะเอมันจะไปเหยียบหมู่เหยียบหมู่เหยียบคณะเราไม่เห็นด้วย เ, เราต้องปรึกษากันเป็นทีมทํางานเป็นทีมดีกว่าทํางานโดดเดี่ยวโดดเดีย ว, ดดดยวบันผิดมันผิดได้แก่แก้ไม่ขึ้นทํางานคนเดียวผิดถ้าหลายคนหัวใจหลายแนวความคิดนะจะดีกว่า ดังนั้นในพวกพระรุ่นอวุโสทั้งหลายนะช่วยชวยกันดูนะเรื่องป่าไม้คือเราปลูกเขาเนี่ปลูกเพื่อหวังผลไม่ได้ปลูกทิ้งๆคว่างๆจะถูกปัจจัยที่จะใช้เท่าไหร่ก็ให้ปรึกษากันมาปรึกมามาบอกหลวงพ่อนะหลวงพ่อเนี่ยเป็นผู้ดูเท่านั้นเองดูผลงานให้พวกท่านทั้งหลายเป็นคนดูแลจัดการจะเอาชาวบ้านมา หรือเอาน้ำมันเอาเครื่องมาตัดยากในระหว่างตัดตัดตัดก็ดตัดด้วยพรอมมัดระวงังพอมันปลูกแล้วปลูกทีพอสมควรแต่อย่าให้มันขึ้นมากพอขึ้นมากแล้วมันตัดยากขนาดใดขนาดเดืองเริ่มเลยทําไปเรื่อย เ, อยเือยอาทิตย์ละครั้งได้ไหมสองอาทิตย์ครั้งได้ไหมเห่านี้แหลนะนะช่วยๆกันดูนอะเรื่อง วันนี้จะได้ระดมถ้าพวกในครัวก็มากันช่วยช่วยกันเรื่องน้ําเรื่องระน้ำปะนะกูเหมือนกันคูบาทั้งหลายมีอะไรเขามาดื่มกันอย่ามันเวอรเกินไปท่านนั่นนะจะทำอะไรถ้าปล่อยเปิดประตูออกไปแล้วกระโดดโลดเต้นเหมือนกับอะไรสัตว์สาลาเสียงเปิดออกจากกรงพอเปิดหน่อยหนึ่งกระโดดโลดเต้นลืมตัวอันนั้นไม่ดีนะเราไม่ให้พระลืมตัวนะ ถึงจะอยู่ยังไงคือเราเป็นพระอยู่อย่างพระถึงจะมีมากก็ใช้อย่างพระฉันอย่างพระเพราะเราเป็นพระะพระพุทธเจ้าว่ายังไงอภิชตาเป็นผู้มักน้อยสันทุตถีตามมีตามเกิดอที่มันอติเลขาลาธิเกิดมาเราต้องสำรวมระวังเราเป็นพระที่มันเสียง ระเบิดทระทิงทุกวันนี้กับนี่แล้พระออกนอกลูก่นอกทางใครพูดก็ไม่ฟังทิฐิพระไม่ใช่ธรรมดานะแต่จะได้มีในวัดของเราถ้าองค์ไหนมีบอกมาเราจะไล่นี่ออกจากวัดไม่ใช่พระถ้าพระต้องอยู่ในความสำรวมระวังจะทาอะไรออกไปก็ตามต้องระวังสำรวมระวังต้องเป็นศีลเป็นธรรมเท่านั้นทา เอาตามทิฏฐิมานะเอาตามใจตัวเองจะอยู่กับหมู่เพื่อนได้อย่างไรต้องไปอยู่ตามลําพังคนเดียวจะทำอย่างไรทําจะล้องล้าทําเพลงเจะตะโกนด่าใครก็ได้อยู่คนเดียวแต่อยู่กับหมู่ก็ต้องระมัดระวังหลวงพ่อยังบอกแล้วบอกอีกบอกว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดมันจะปรุงฟุง้งจะทําให้ตัวเองเป็นบ้าเพราะอะไรเพราะตัวเองคิด เออล้เหยไปเรื่อยออคิดออกนอกลูนอ ก, ก, นอกทางเรามาที่นี่เรามาเพื่ออะไรออต้องถามเจตนาของหข้าพเจ้ามาที่นี่มาเพื่ออะไรมาเพื่อภาวนาพระพุทธเจ้าท่านไปภาวนาท่านทํายังไงท่านไปอยู่ตามลําพังทังหกปีนะ่ยไปอยู่ในป่าท่านเป็นกษัตริย์อีกต่างหากเราเป็นใคร เ, ออเรามีอํานาจวาสนาเหมือนพระพุทธเจ้าไหมไม่เหมือนเ อ, อเรามาคิด ฟงปรุ ง, ง, งฟุ้งสัน้นหาอะไรเรามาภาวนาเราไม่ได้มามาอย่างอื่นมาที่นี่นะเนี่ยสถานที่แห่งนี้สถานที่รับคนภาวนาเออภาวนาทํำยังไงไปเดินโยงกรมอยู่ในป่าทั้งวันก็ได้นั่งสมาธิทั้งวันก็ได้อา่นอานหนังสือธรรมะศึกษาธรรมะไปเรื่อยแล้วก็ฟังกลางคืนก็ฟังธร ร, ธรรมเทศนาของหลวงตา มีสถานีวิทยุอยู่แล้วเปิดฟังขึ้นมาเปิดขึ้นมาได้ฟังเลยทำทประเทศนาหลวงพ่อศึกษามาศึกษากรรมกับองค์หลวงตาคนี้แหละไม่ใช่ว่าท่านจะเอามานั่งต่อหน้าสอนทั้งวี่ทั้งวันกอไก่ข้อไขข้อกวดข้อควาย a b บ d ซ2ดีหนึ่งสองสามสี่บวกลบคูณหารไม่ใช่อย่างนั้นนะมีแต่แนะนำสั่งสอนบอกต้องปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้เนอไปปปฏิบัติถ้ามีความขัดข้องที่ตรงไหนมาาม ถ้าว่าไม่มีไม่มีเรื่องขัดข้องภาวนาไปเรื่อยๆตามที่แนวแถวนี่แหละแต่โดยมากถามไม่ได้เพราะท่านพูดท่านพูดล่วงหน้าไปก่อนแล้ว เ, เราทำยังไม่ถึงนี่ถึงถึงสอนถ้าเราเรียนกอไก่แต่ท่านสอนนู่นผ mm. สมสระอาสระอ่านออกเขียนได้ละถ้าพอเราอ่านออกเขียนได้ตอนนู่นสอนมัธยมขึ้นไปลอล้ำนาของเราเพราะนั้นเราจึงไม่ได้ น้อยมากที่จะไปถามท่านเบนเตียท่มันสะดุดจริงๆยังค่อยเข้าไปถามท่านได้เป็นบางครั้งแต่โดยมากพอท่านคล่องใจในใจเราท่านเทศให้ฟังในการประชุมแลการอบรมเพียงแค่นั้นเราก็เข้าใจในเรื่องที่เราจะถามนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือการศึกษากับครูบาอาจารย์เพราะนั้นให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะแต่ถึงยังไงก็ตามไปอยู่ในสถานที่ใดก็ตามกิจกรรมนอกก็ต้องมีกิจกรรมในก็มี กิ จ, จกรรมนอกกันเนี่ยบางทีกันเนี่ยช่วยกันทําโยธาหาฟื้นบ้างอะไรบ้างบางทีเขาเนี่ยเรื่องปัดกวาดทําความสะอาดอันนี้เป็นกิ จ, จวัตรประจําวันเราไปอยู่ในสถานที่ไหนเราต้องช่วยกันทําเรื่องกิ จ, จวัตรข้อวัดอันนี้ถ้าไม่ทําไม่ได้ปรับอบัตทุกกฎเพราะนั้นขอให้พวกเราภาณิานศรัทธาญาติโยมผู้ที่มาภาวนานะให้ตั้งใจภาวนา ของปัดจุบของเราภาวนาแต่ว่ากิจกรรมภายนอกเราจะไปช่วยก็ได้หรือจะไม่ไปช่วยําแต่เราดูสุขภาพของเราอย่างหลวงพ่อเมื่อวานพอตอนฉันจทหารเสร็จกระปิ่นฉันยาแก้วัดพอตอนบ่ายกํายากําลังออกฤทธิใช่ไหมยากแก้วัดมันกําลังง่วงโอ้ไปไม่ไปไม่ไหวเนี่ยไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเองทุกคนเราไปได้แล้วเราไปไม่ได้นะ เพราะนั้นเราไปไม่ได้จะฝืนทำไมเราต้องพักนะเราก็ต้องให้เหตุผลอ้เราไม่สบายผมไม่สบายฉันไม่สบายอขอตัวนะนี่อันนี้คื อ, อวพวกเราอยู่ด้วยกันแต่ทอนนี้เมื่อเขาไม่สบายเราจะไปมองเขาว่ากี่เกลียกี่ค้านได้ยังไงบางทีใครจะไปรูเขายิ่งกว่าตัวของเขาน่นั่นะพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตาท่านหลวงตาหมหาบัวท่านวา อย่ามองกันในแง่ร้ายมองกันในแง่เหตุผลเหตุผลก็คืออะไรคือสุขภาพไม่อำนุกงไม่อื้ออํานวยอย่างหลวงพ่อเมื่อวานสุขภาพไม่เอึ่ออํานวยไปไม่ได้แต่วานไปไหนไปได้แต่ขี้เกียจอยู่บ่อยๆแต่การอยู่การฉันไม่ไม่มีใครลดลา ว, วาศอกเกินเกินกว่ามู่อีกแต่เวลาทำงาน หลาะแหละอันนั้นใช้ไม่ได้คนโบราณเขายังบอกว่า เ, เรื่องกินเรื่องอยู่ใครจะสู้พ่อเรื่องทอเรื่องภายพ่อไม่สู้ใครจะทำอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันนะเพราะนั้นเราต้องเคียงบากเคียงไหลหมู่พกเพื่อนทำอะไรเราต้องทำได้ต่อไปภายภาคหน้าที่เรามาปลูกต้นไม้เป็นการศึกษาทั้งหมด เ, เป็นวิชาหนึ่ง ที่พวกเราจะต้องศึกษาขแขนงหนึ่งเราอยู่ในโลกนะีเราจะปลูกต้นไม้เราปลูกยังไงอันนี้เราปลูกแบบแบบลูกทงปลูกที่ปลูกนะถ้าปลูกเป็นหลักวิชาการจริงๆงก็ต้องขุดหลุมขุดหลุมหนึ่งเมตรนะกว้างหนึ่งเมตดยาวลึกอย่างน้อย5้าสหกสิบเซนติเมตรเอาใบไม้ลงรองเอาปุ๋ยลงรองเอาดินลงไปกบ แล้วก็ทําเป็นชั้นสองชั้นแล้วก็เอาใจดินข้างบนแล้วก็ปลูกต้นไม้ลดน้ําพอมันรากลงไปมันจะกินปุ๋ยกินปุ๋ยกินนั่นแหละมันก็จ ะ, จะเจริญเติบโตได้ง่ายนั่นคือหลักวิชาการของเขาแต่เนี่นเราไปปลูกไม้สักในตั้งสองหมืนะ่นกาเราจะไปทําขุดหลุมยังไงได้เหรได้กี่หลุม แ, แต่ละวันเราต้องปลูกไปเรื่อยของเรานะ่ย <c oughs> ปลูกไปแบบลูกทุ่งนะแต่เราก็รักษาท่านเองเถอะ รักษาวัชพืชรักษาเทาวันรักษาสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนีอันนี้ก็คือการดําเนินงานาได้หรือการบริหารจัดการ <c oughs> การเป็นอยู่ของพวกเราเรื่องจิตตภาวนา <c oughs> เรื่องจิตตภาวนาพวกเราก็อยากให้ขาดตกปกพองเมื่อถึงทําการงานไปแล้วก็อันนั้นคือกิ จ, จกรรมเ พ, เพื่อเผื่อเราร่างกายของเราจะเบาหวงเว ง, วงอีกตา่างหาก เอสบายใจอีกต่างหาร่างกายของเราเบาอีกต่างหากถ้าเราหยุดเอทํานั้นะมีง่วงซึมเสื่องซึมเอพอเราทํากิจกรรมขึ้นมาแล้วนะคล้ายๆว่ามันได้ใช้หัวมันใช้ความคิดในการทําการทํางานเสร็จ แ, แล้วก็มาภาวนาเรื่องภาวนาในหัวคือหัวใจหลักของพระกรรมฐานถึงจะทำอย่างไงอย่างไงก็ตาม ถึงจะอยู่ดีมีสุขขนาดไหนก็ตามต้องคิดไว้อยู่เสมอข้าพเจ้าจะต้องตายข้าพเจ้าจะต้องตายอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อข้าพเจ้าตายคุณงามความดีของข้าพเจ้ามีพร้อมหรือยังถึงข้าพเจ้าจะสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาในเรื่องอะไรก็ตามแต่อีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องตายเมื่อข้าพเจ้าตายไปแล้วนั้นถ่งสิ่งที่จะทําให้เราอุ่นใจ สิ่งที่ที่เราจะทําให้อุ่นใจสําหรับเราบุญกุศลเราพร้อมหรือยังที่บุญกุศลในจุดนั้นที่เราจะจากโลกนี้ไปเราพร้อมหรือยังไม่ใช่ว่าเราจะแก่เทก่อนเราจึงจะตายไม่ใช่นะคนหนุ่มตายให้เราเห็นก็มากต่อมากวันนั้นเราจะถึงจุดจบเมื่อไรไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ล่วงหน้า ม, มีแต่พระพุทธเจ้าพระหรันถสาวกเท่านั้นนะท่านรู้วันมรณะภาพของท่านวันปรินิพานของท่าน แต่ปุตุชนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยเราต้องเตรียมพร้อมมาอยู่เสมอถึงจะทำอย่างไงยังไงเราก็ภาวนาของเราไหวพระสวดมนต์ของเรายาได้ขาดตกปกพ่องให้ให้ทำอย่างกูบาอาจารย์รุ่นเก่าหลวงปู่พรมดงเย็นอาเภอสว่างอภน้องหาน ท่านเป็นพระรหารเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นบวชเมื่อแก่อีกต่างหากขยันหลวงปู่ผมขยันจนใครๆก็ยกย่องหลวงปู่ผมขยันที่สุดในบรรดาลูกศิษย์หลวงปู่มั่นกลางวันในท่านเป็นเพชรหินทั้งคืนกลางกลางวันไปทําถนนขึ้นไปอยู่ท่านไปอยู่ที่เชียงใหม่ท่านทํำถนนมาคลุกคลุกคท่านไปงัดหินเรียงหินทุกวันนั้นก็ยังเป็นฝีมือท่านก็ยังมีอยู่ เอแต่พระบางองค์อทํางานทั้งวันอย่างนี้นลยจะมีเวลาภาวนามอนะ ไ, ไปตําหนิท่านอพอตกตกกลางคืนมาท่านั้นอาบน้ําเสร็จแล้วเดินก im, ดยกลมเลยสี่ห้า 4, ทุ่มพูนียิ่งกว่าพระที่กินแล้วนอนกอดละนินต่างๆอีกต่างหากตาหนิท่านไม่ได้เพราะท่านขยันอการนอกท่านก็ทําการในท่านก็ทํากิจวัตรชวนตัวท่านก็ทํา เรื่องภายนอกที่จะช่วยเหลือวัดวาพัฒนาวัดวาท่านก่อทำออนี่แหละอันนี้ก็คือตัวอย่างหนึ่งนะสำหรับป้าเนน ล, ลูกลานนะไม่ใช่ว่าทำงานภายนอกแล้วก็โอ้ไม่เป็นไรหรอกพยามัจจุราชคงไม่ตามเพราะข้าพระเจ้าทำงานไปพยามัจจุราชคงจะพักทับไว้ก่อนไม่ใช่นะถึงจะเราจะนอนือไม่นอนก็เถอะ ว่าเวลานอนพยามัจจุราชจึงตามทันได้เร็วเหมือนกับนายพ่านไล่กระทิงสมัยก่อนไล่งัวป่าตามรอยไปเลยเห็นขี้ขี้ใหม่แล้วขี้เก่านะยายพญานายพานตามตามล่าสัตว์นะตามล่าสัตว์ตามอพอถึงใกล้เํา ม, มันจะนอนที่ไหนเนายพรานก็ตดมันทางไหนลมทางไหนลม พัดบานว่าเราจะไปอยู่ทางเหนือลมเดี๋ยวกระถิงได้ยินวัวป่าได้ยินมันจะวิ่งหนีให้เราต้องไปอยู่ทางใต้ลมก่อนที่จะเข้าไปใกล้มันเนี่ยอันนี้คือบิชาของพรานที่จะล่าสัตว์อันนี้ก็เหมือนกันนะพญามัจจุราชไม่ใช่ว่าเห็นพวกเราเหนื่อยนอนแล้วกันพญามัจจุราชเออให้พระท่านพักผ่อนเถอะเออท่านไม่ว่ากันเลย ปัญญาบุจโชลาดิงย่องเข้ามาใกล้อีกเวลาเรานอนใช่ไหมเพราะนั้นพวกเราอย่าอย่าได้ชะลาใจอย่าไปนอนหลับเกินไปนะถึงจะเวลาให้ตื่นตัวอยู่เสมอให้นึกถึงมรณงเมพวิสติมรณงเมพวิสติมรณงเมพอวิสติอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องตายอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องตายอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องตายถ้าคิดไว่อย่างนั้นเสมอจะไม่ลืมตัวนะลูกหลานนะ มลัปอน